ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่28โดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมชโชในปัจจุบันถามปฏิบัติธรรมมาได้ไม่นานพอมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการดูจิตก็นำมาพิจารณากับที่เราปฏิบัติอยู่จึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราปฏิบัติผิดมาตลอดเลย จึงเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พยายามหาเหตุผลตลอดว่าทำไมทำไมการปฏิบัตินั้นไม่มีใครปฏิบัติถูกหรอกครับถ้าไม่ทราบว่าทำผิดมาก่อนเพราะเหตุใดก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเราเกิดมาเพราะความไม่รู้อยู่กับความไม่รู้คือผิดมาตั้งแต่ก่อนเกิด แต่เมื่อพวกเราได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจึงได้รู้ว่าเรามีโรคทางใจอย่างใดบ้างและทราบว่าจะแก้โรคทางใจอย่างนั้นกันอย่างไรเครื่องมือที่เราจะเรียนรู้โรคของเราไม่มีอะไรดีกว่าการเจริญสติสัมปชัญญะจะเรียกตามตำราว่าการเจริญสติปัฏฐานก็ได้สำหรับคำว่าการดูจิตนั้น อันที่จริงก็คือการเจริญสติปัฏฐานบางอย่างนั่นเองจัดอยู่ในกลุ่มของเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อพูดถึงการดูจิตแล้วจะเห็นว่าเราพูดกันเรื่องการรู้ทานสภาวะธรรมอันเป็นปัจจุบันเราพูดกันเรื่องการไม่เพ่งและการไม่เผลอ สิ่งเหล่านี้ก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะทั้งสิน้นเรื่องทานเรื่องศีลที่ไม่ค่อยได้นํามากล่าวกันก็เพราะเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับเพราะเมื่อสามารถเจริญสติกันได้ทานและศีลมันก็เป็นเรื่องง่ายอย่างเราไปทําวัตถุทานกันอยู่แล้วแทบทุกสัปดาห์ส่วนธรรมทานเราก็เอื้อเฟื้อกันอยู่เสมอมาเรื่องศีลก็ไม่มีอะไรจะต้องบังคับใจ เพราะเมื่อเราจเจริญสติกิเลสครอบงำจิตยากแรงจะทำผิดศีลก็ไม่มีพวกเราจำนวนมากเคยผิดศีลเวลานี้ก็เลิกกันไปมากแล้วสิ่งเหล่านี้เราคุยกันเหมือนกันครับแต่มันไม่มีอะไรจะต้องคุยมากนักเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองไม่เหมือนเรื่องอุบายวิธีปฏิบัติซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ที่หลากหลายใครเคยแพ้กิเลสอย่างไร ก็นำมาเล่าสู่กันฟังสิ่งเหล่านี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าน่าฟังทั้งนั้นครับเมื่อวานคุณโยคาว จ, จรมาพบผมและเล่า ว, ว่าตอนนี้มีศีลเคร่งครัดเวลาจะปฏิบัติธรรมพอระลึกถึงศีลของตนจิตก็สงบเบิกบานปฏิบัติง่ายอันนี้ถูกต้องเลยครับเรียกว่าเริ่มด้วยศีลานุสติ เพราะเมื่อมีศีลอันงามจนตนเองติเตียนตนเองไม่ได้แล้วจิตจะเกิดความอบอุ่นใจหรือเกิดปีติก็ได้ถัดจากนั้นจะสามารถเจริญวิปัสสนาต่อไปได้เลยครับคือรู้ความสงบใจรู้ปีติสุขไปเลยด้วยจิตที่เป็นกลางพระพุทธเจ้าท่านจึงรับรองธรรมที่พราหมณ์พูดหนึ่งกล่าวว่าศีลขัดกลาสมาธิ สมาธิขัดเกลาร์ศีลเหมือนมือขวาล้างมือซ้ายและมือซ้ายล้างมือขวาฉะนั้นคำตอบจากกระทู้ในลานธรรม7ตุลาคมพุทธศักราช2542 คนเราสมัยนี้นิยมศึกษาพระอาภิธรรมกันมากและอาจจะมองพระสูตรเป็นเพียงประวัติศาสตร์แท้จริงแล้วพระสูตรน่าจะมีคุณค่ามากกว่าเป็นการบันทึกเหตุการณ์สมัยพุท ธ, ธกาลมากท่านมีความเห็นว่าอย่างไรนักวิชาการทางศาสนาบางท่านเปรียบเทียบพระไตรปิฎกกับวิทยาการปัจจุบันโดยเปรียบเทียบว่าพระวินยัย คือวิชานิติศาสตร์พระสูตรคือวิชาประวัติศาสตร์และพระอภิธรรมคือวิชาวิทยาศาสตร์การมองว่าพระสูตรเหมือนวิชาประวัติศาสตร์ก็มีเหตุผลพอประมาณเนื่องจากพระสูตรเป็นเสมือนบันทึกเหตุการณ์ในครั้งพุทธกาลเล่าถึงเรื่องราวก่อนการจัดสรุ้จนถึงเรื่องราวและกิจกรรมตลอดพระชนชีพของพระศาสดาอย่างไรก็ตามหากผู้ใดเห็นคุณค่าของพระสูตร เพียงในด้านประวัติศาสตร์ก็ย่อมเป็นการลดค่าของพระสูตรลงอย่างมหาศาลเนื่องจากโดยแท้จริงแล้วพระาศาสดาทรงระบุไว้ในมหาปริณิพานสูตรที่านิกายมหาวัตรพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่สิบดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่าดูกระอานนท์ บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าปาพฤษมีพระศัสดาล่วงแล้วพระศัสดาของพวกเราไม่มีก็ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้นทำและวินัยอันใดเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทำและวินัยอันนั้นจกเป็นศัสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราแม้จะยกพุทธวจนะมากล่าวเช่นนี้แล้ว บางท่านอาจจะโต้แย้งอีกว่าพระธรรมและวินัยที่เป็นศาสดาของพวกเราในปัจจุบันตัวพระธรรมน่าจะหมายถึงพระอภิธรรมเป็นหลักคำกล่าวเช่นนี้เป็นการปฏิเสธความจริงที่ว่าพระอภิธรรมปิดกปรากฏขึ้นสมบูรณ์ภายหลังคุทธการแล้วและมีหลักฐานยืนยันความสําคัญของพระสูตรที่ชัดเจนที่สุดอันแสดงเจตนารม์ของพระศาสดาที่เห็นว่าพระวินัยและพระสูตร คือตัวแทนพระศัสดาภายหลังปรินิพานการดังปรากฏในมหาปรินิพานสูตรนั่นเองดังนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอใจในบ้านพันดคามแล้วตรัสเรียกท่านพระอานตน์มารับสั่งว่ามาไปกันเถิดอา น, นุ์เราจาระไปยังบ้านหัดถีคามอัมพคามชัมพุคาม และโพคันนครท่านพระอานนทุนรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วไปยานน้อยลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่เสด็จถึงโพคันนครแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอาณาทเจดีในโพคันครนั้นณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดุกะระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมหาประเทศสี่เหล่านี้พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังต่อไปนี้ดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อนี้ข้าพเจ้าได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคําสั่งสอนของพระศาสดาดังนี้พวกเธอไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของภิกษุนั้นครั้นแล้วพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัย ถ้าสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรไม่ได้เทียบเคียงในพระวินัยไม่ได้พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านีไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จํามาผิดแล้วดังนั้นพวกเธอพึงทิ้งคำกล่าวนั้นเสียถ้าเมื่อสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในพระวินัยลงในพระสูตรได้เทียบเคียงในพระวินัยได้ พึงถึงความตกลงในข้อนี้ว่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคแน่นอนและภิกษุนี้จำมาถูกต้องแล้วดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจามหาประเทศข้อที่หนึ่งนี้ไว้จัดเนื้อความตามพระสูตรไล่มาจนถึงข้อที่สี่ดูกระระภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงทรงจามหาประเทศทั้งสเหล่านี้ไว้ชะนี้แล ปลายานน้อยกล่าวโดยสรุปมหาปรินิพานสูตรนี้เองแสดงให้เราเห็นว่าพรัศดสดาทรงกำหนดให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาของพวกเราแทนพระองค์และเมื่อมีผู้ใดกล่าวอ้างถึงพระธรรมวินัยใดว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็นให้พวกเราตรวจสอบด้วยพระวินัยและพระสูตร เพราะเราไม่อาจทูลถามขอคําชี้ขาดจากพระศาสดาได้แล้วดังนั้นจึงน่าจะไม่ผิดพลาดไปได้หากจะกล่าวว่าพระวินัยและพระสูตรนั้นเองคือตัวแทนพระศาสดาของพวกเราทั้งหลายนี่คือฐานะที่สูงยิ่งของพระสูตรคือสูงกว่าสถานะของวิชาประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาอย่างที่ผู้คงแก่เรียนบางท่านเปรียบเทียบไว พระสูตรเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองบ้างพระมหาสาวกร่วมสมัยพุทธกาลแสดงไว้บ้างเนื้อหาสาระไม่เพียงเป็นบันทึกประวัติพระศาสนาแต่พระสูตร ย, ยังประกอบไปด้วยสารัธรรมอันบริบูรณ์ที่สุดบางส่วนเช่นพระไตรปิฎกเล่มที่ส1ออันเป็นพระสูตรว่าด้วยปฏิสัมพิธามรรค เนื้อหาก็คือพระอภิธรรมล้วนๆและเป็นพระอภิธรรมที่พอเหมาะพอควรสําหรับการเรียนรู้อันเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอย่างแท้จริงนอกจากในปฏิสัมพิธามากแล้วก็ยังปรากฏธรรมอันมีลักษณะเป็นพระอภิธรรมกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพระสูตรจํานวนมากที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งของพระสูตรก็คือ คำสอนว่าด้วยวิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรทราบมีอยู่อย่างพร้อ ม, มูลแล้วในพระสูตรคือมีทั้งหลักการปฏิบัติไปจนถึงอุบายวิธีพลิกแพลงต่างๆในการปฏิบัติในฐานะผู้สนใจการปฏิบัติผมจะยังไม่เชิญชวนพวกเราอ่านพระสูตรเพื่อศึกษาพระอาภิธรรมแต่จะหยิบยกอัญมณีสูงค่าสําหรับผู้ปฏิบัติจากพระสูตร ออกมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันเป็นตอนๆไปตามแต่โอกาสจะอำนวยเพราะผู้สนใจการปฏิบัติจำนวนมากในยุคนี้มักศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมเพียงแค่จากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือจากตำราลุ่นหลังพุทธกาลนับพันปีซึ่งคำสอนหลายสิ่งหลายอย่างไม่ปรากฏในคำภีชั้นพระไตรปิฎกเช่นเรื่องโสรสยาน กรรมฐาน40และวิถีจิตเป็นต้นศึกษาแล้วก็มาตั้งป้อมเถียงกันว่าการปฏิบัติที่แท้จริงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแทนที่จะทำเช่นนั้นเราน่าจะลองศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมจากพระสูตรอันเป็นคำสอนตรงจากพระศาสดาและเป็นตัวแทนของพระศาสดาที่พระศาสดาทรงกำหนดไว้ด้วยพระองค์เองกันดูบ้าง คำตอบจากกระทู้ในลานธรรม11ตุลาคมพุทธศักราช2542ถามได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูจิตช่วงแรกๆ ก, ก็เห็นเฉพาะผัสสะที่แรงๆเช่นโกรธหรือชอบมากๆต่อมาตั้งใจประคองจิตให้สะอาด เราคิดว่าเวลามีผัสสะจะได้เห็นชัดๆแล้วก็ได้รับการสั่งสอนว่าไม่ใช่ปั้นไม่ใช่แต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นหากแต่จิตเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติจิตผู้รู้ไม่ได้เป็นดวงอะไรไม่ต้องควานหาเป็นสภาพรู้เฉยๆต่อมาหัดทรรมสมถะก็โดนทักว่าสมถะที่ทำก็เป็นมิจฉาสมาธิจึงฝึกใหม่หมดนั่งทำอนาปนสติแบบตามพระสูตรเลย คือใส่ความรู้ตัวตั้งแต่เริ่มจับลมเข้าออกเพราะเดิมทีผมจะเน้นให้จิตนิ่งมากกว่าจิตจะทำอย่างไรไม่สนท้ายสุดต้องนิ่งคราวนี้เปลี่ยนมานั่งรู้แทนการนิ่งนั่งรู้ลมหายใจแทนนั่งมองไปมองไปอย่างไม่ยอมเผลอคราวนี้จูจ่ๆก็เหมือนเกิดการแยกได้ว่าลมหายใจคือสิ่งที่ถูกรู้มีจิตที่รู้อยู่เกิดเข้าใจว่าอ้อ จิตผู้รู้คือสิ่งนี้เองไม่ได้เป็นดวงดวงเป็นความสว่างอะไรสภาวะจิตผู้รู้ก็คือจิตที่ตื่นในวงเล็บจากหลับทั้งที่ลืมตาวงเล็บปิดและเบิกบานเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกบังคับครอบงำด้วยกิเลสตัณหาไม่ใช่สภาวะจิตที่ถูกปั้นแต่งเอาตามอำนาจกิเลสตัณหาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ที่คุณทำได้ง่ายในครั้งแรกก็เพราะมีสติรู้เข้าไปตรงๆตามธรรมชาติธรรมดาก็รู้ถึงกิเลสตัณหาที่แทรกเข้ามาในจิตใจโดยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นทำง่ายก็เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งท่าที่จะปฏิบัติครับแต่การปฏิบัติในช่วงต่อมาไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาหากแต่เป็นการปรุงแต่งจิตผู้รู้จะให้มันมีที่อยู่บ้าง ให้มันใสมันสว่างมันนิ่งบ้างเพราะลืมไปว่าที่นิ่งที่สว่างที่ว่างที่ใสอะไรทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งสิ้นเมื่อได้จำแนกได้ว่าอันนี้ถูกรู้ก็จะรู้จักจิตผู้รู้เองโดยไม่ต้องจงใจเหมือนอย่างที่คุณกำหนดลมหายใจลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้แล้วยากผู้รู้ด้นนั่นแหละครับดีมากทีเดียว ตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ตามที่มันเป็นจริงท่านไม่เคยสอนให้เราแต่งจิตให้สงบระงับขอยกพระสูตรมาให้อ่านกันเลยครับเพราะถ้าพูดเองก็อาจจะเกิดข้อถกเถียงอะไรกันวุ่นวายอีกพระไตรปิฎกเล่มที่ส4พระสุตตันตปิฎกเล่มหกมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสะอานาปานสติสูตร ดูกะระภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอาณาปณสติอยู่ไปยา น, น้อยดูกระภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันภิกษุเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานนิสงมากภิกษุที่เจริญอาณาปณะสติแล้วทาให้มากแล้วย่อมบาเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเ พ, พ็ญโพชฌงเจตให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญโพชฌงเจตแล้วทําให้มากแล้วย่อมบําเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ไปยา น, น้อยหมายเหตุตรงนี้ท่านใดที่คิดว่าอาณาปนสติเป็นแค่สมถะขอให้พิจารณามากหน่อยนะครับว่า ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เพราะอานาปนสติจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาก็ได้ความต่างอยู่ที่สภาวะจิตภายในเท่านั้นถ้าเพ่งจ้องลมหายใจก็เป็นสมถะแต่ถ้ารู้ลมหายใจก็เป็นวิปัสสนาได้กลับมาถึงบทความจากกระสูดดูกระระภิกษุทั้งหลายก็อนาปนสติ อันภิกษุจเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอนิสง์มากดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออก ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจั ก, จ geek geek าเาจากเป็นผู้กําหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ปีติหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้สุขหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้จิตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็น ผู้กำหนดรู้จิตสัง ข, ขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับจิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจะทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจะทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้า สำเนีกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเปื่องจิตหายใจออกว่าเราจักเปื่องจิตหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจเข้า ดูกระภิกษุทั้งหลายอานาปนาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แหลจึงมีผลมากมีอนิสงส์มากไปยา น, น้อยจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ทำอานาปนาสติแบบน้อมจิตเข้าหาความสงบ แต่ท่านสอนในเบื้องต้นให้มีสติรู้ลมหายใจเสก่อนแล้วค่อยแยกเอาผู้ในวงเล็บกําหนดรู้หรือจิตผู้รู้ออกมาอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้นั่งรู้นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องปรุงแต่งลมหายใจต่อมาจิตมีกำลังขึ้นท่านก็สอนให้รู้นามธรรมที่กาลังปรากฏโดยจิตผู้รู้ก็เป็นผู้รู้อยู่ต่างหากไม่หลง ไม่ไหลเข้าไปคลุกกับนามธรรมทั้งปวงและเมื่อจิตพิจารณาธรรมต่างๆก็มีผู้รู้การพิจารณาอยู่อีกชั้นหนึ่งและท่านย้ำในตอนท้ายว่าถ้าทําอานาปนสติอย่างนี้ให้มากจึงจะมีผลมากมีอนิสงส์มากแต่ถ้าทําอานาปนสติแบบอื่นคือแบบไม่มีผู้รู้จะไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากหรอกครับเพราะได้แค่ความสงบแบบทื่อ งวงเงียไปตามเรื่องของโมหะและราคะเท่านั้นนี่แหละครับผมจึงเห็นว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียงร้อยเป็นสายเดียวกันเสียดายแต่ชาวพุทธมากมายหลงไปเรียนวิปัสสนาอะไรให้ยุ่งเหยิงแทนที่จะอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถึงจิตถึงใจของเปิดเผยกระจ่างแจ้งแท้ๆทั้งนั้นครับและถ้ามีจิตผู้รู้แล้ว ไม่สามารถแยกรูปนามขันห้าได้ก็ขอให้ช่วยกันประนามผมอย่างพร้อมเพรียงกันได้เลยว่าเป็นจอมหลวงโลกเพราะแม้ผมเองก็จะต้องประนามตนเองเช่นนั้นเหมือนกันคำตอบจากกระทู้ในลานธรรม21สเอดตุลาคมพุทธศักราชสองพบทความจาก นิเาศ3ธรรมะาใกล้ตัวฉบับที่28อ่นานโดยอนุสรณรีโสภ า, า, า, านำพ า, ากรรมชั่วดีสร้างเขาหลอกลอนในตัวตนเพิดมนต์ทนเหนือยยามเย็นด้วยแรงขยานลวงตา เปลงรับปลาใจว่ามีรู้สิ้น